โอเวลาเราอยู่ในวัดอยู่ในศาลาอยู่ทั้งในวัดเนี่ยรถแลนห้องป๋องยิ่งเหนือเลยมิดอิงติ่งเนยมาเท้าออกมาอยู่ศาลา น, นอกเลยหนอยลูกหลานเนี่ยแลนยู่เหย่ยยัวเย็ดลดหลายขนาดกันออกไปพ่อปานอุดรกรุงเทพรถวะพาคณะสธา ญ, ญาติโยมลูกหลานไหว้พระสมาทานศีล น, นะวันนี้นะเป็นวันพระนะ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 วันนี้เป็นศีลพิเศษทั้งหน่อยนะคณะทายาิโยมเป็นศีลปีใหม่ปีใหม่วันที่ส6บหนะวันนี้นะกลางเดือนมกราพอดีส6บหกมกราห้าเก้าเป็นวันพระด้วยเพราะนั้นเขียนคณะทายาติโยมลูกหลานมาจากจาตุรทิ์มาสู่วัดวาศาสนาควรจะ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 ย่าิจันี่มาเป็นแม่ขั้วให้พวกวัดเท่าเป็นแม่ของครูบาดุงอาจา ร, รย์ดุงแม่ครูบาเตืนเอนพนตายเป็นะเดมมรณะลเนอะหมู่ว่านเมื่กรแต่สิเบเผามันวันอาทิตย์ที่17เจ็กับโคงจะเผาหมืออื่นพวกเฮาพวกไดที่หู่จักมักขุนก็เพินทั้งในครัวก็ให้ท่านหน่อยเบงิงเบิอทั้งแม่ขั่วสิไป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 แต่เป็นคนขี่โมโหสักหน่อยนะย่าจรรันนี่นะขันเบาปวดเือดฟูฟีฟูฟีฟูฟีรถดดธรรมดาผู้เทาถังจะแหละ <c oughs> ผู้เทาผู้แกแวันนี้เป็นวันที่สิบหกมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันพระนะลูกหลานคณะสัตธธายาดโยมเป็นวัน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 พอตกมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปหากินใส่ปากใส่ท้องจากจากนั้นก็อนะ่ะพักผ่อนอยู่ตามอัตภาพของมันอาจากนั้นก็นหิวมาหากินอกีกมันไม่ได้ประกอบคุณงามความดีแต่เราก็คิดอย่างงั้นนะนะบางทีมันอาจจะดีกว่ามนุษย์ก็ได้อมันอาจจะเห็นไหวเห็นพระอจมันอาจจะไหวพระในจิตในใจเหตุพระพุทธรูปอาจจะมันอาจะยกมือไหวเราก็ไม่เห็นเหมือนกันนะลงใช่ไหมล่ะ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 ทดลองเลยสิเท่าอยู่ด้วยกันเนี่ยปลุกปรับขึ้นมากันโตเตะซ้ายเตะขวาด้วยสิเออเอาคอร์เวียงซ้ายเวียงขวาตีหัวเขากันเข้าที่ทาความชั่วขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เห็นฤทธิ์ทันทีแหละพวกเราก็จะต้องลุมจับกันนะาจากนั้นก็เข้าไปขังอกองขังนายุงสพตนายุงก่อนแหละต่อไปก็ดำเนินคดีแหละมันทำไม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 อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่คนตาบอดทุกอย่างรู้ได้ทุกอย่างแต่ตาปัญญามันบอดนะแนวความคิดสติปัญญาของเรามันบอดนะเพราะฉนั้นให้พวกเราคนนักตัทยาญาติโยมโลูกหลานทุกคนเนอะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้ดูถูกเหยียดยามผู้ใดใครผู้หนึ่งหลวงพ่อเหยียดหยามกิเลสเหยียดหยามความโง่เหยียดยามที่ความไม่รู้นะ